อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ229 1้ิกภิกษุชั้นในสมัย2อภิกษุวิกัปแล้วชั้น 3. ภิกษุชั้นบินทบาต ท, ที่รับนิมนต์ไว้ 2-3 แห่งร่วมกัน 4. ีภิกษุชั้นตามลําดับที่รับนิมนต์5้ภิกษุที่ชาวตําบลทั้งหมดนิมนต์แล้วชั้นในที่แห่งหนึ่งในตําบล น, นั้น 6. กภิกษุที่สมาคมทั้งหมดนิมนต์แล้ว ฉันในที่แห่งหนึ่งในสมาคมนั้น7จภิกษุรับนิมนต์แต่บอกว่าจะรับภิกษาแปภิกษุชั้นพระทหารที่เขาถวายเป็นนิด9กภิกษุชั้นพระทหารที่เขาถวายตามสลาก10ภิกษุชั้นพระทหารที่เขาถวายในปัก11ภิกษุชั้นพระทหารที่เขาถวายในวันอุโบสถ12บภิกษุชั้นพระทหารที่เขาถวายในวันปาฏิบท1ิบภิกษุชั้นพระทหารทุกชนิดยกเว้นโภชนาห สิบสี่ภิกษุวิกลจริตสิบห้าภิกษุต้นบัญญัติปรัมประโพชณสิกขาบทที่สามจบ